คราวที่แล้วได้พูดไปได้สองข้อคือทิศเบื้องหน้าได้แก่มารดาบิดาแล้วก็ทิศเบื้องขวาได้แก่ครูอาจารย์อาวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องทิศเบื้องหลังได้แก่ภรยาอาสามีฉะนั้นท่านนักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทั้งหลายพูดถึงทิศเบื้องหลังที่เขาจัดไว้ว่าคือหมายถึงว่า บุตรภรรยานั้นถือว่ามีความสําคัญมากนะภรรยาก็ถือว่าเป็นผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับสามีนะอยู่ใกล้เคียงหรือเป็นคู่อผู้ภาษาชาวบ้านก็คือเมียนั่นเองนะเมียนั่นเองถือว่าเป็นคู่ทุกคู่ยากเป็นคู่สร้างคู่สมเป็นคู่เว้นคู่กรรมอะไรก็แล้วแต่นะแล้วแต่จะเลือกกันเอาอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญที่อสามีนั้นควรจะต้อง ให้ครวรแล้วก็มองดูให้มากมองดูให้มากควรจะหาโอกาสบำบรงด้วยสถานห้าอย่างคือหนึ่งด้วยยกย่องนับถือว่าเป็นภรยาสองด้วยไม่ดูหมิน่นสด้วยไม่ประพฤติล่วงใจหรือนอกใจสด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้ห้าด้วยให้เครื่องแต่งตัวตามการละสมัยอันนี้ก็หมายความว่า คำว่าภรรยานี้ในทางภาษาก็เขาเรียกว่าผู้เลี้ยงนะมาจากคําว่าภระาธาต์แปลว่าผู้เลี้ยงคําว่าผู้เลี้ยงนี้ก็หมายถึงว่าประการแรกก็คือเลี้ยงเลี้ยงลูกนะว่างั้นเถอะเลี้ยงลูก ป, ประการที่สองก็คือเลี้ยงน้ําใจอของสามีนะเลี้ยงน้ําใจสามีแล้วก็ต้องหุงหาอาหารเลี้ยงครอบครัวนี่ภรรยาฉะนั้น ผู้นี้ก็ถือว่าเป็นผู้ที่ได้ทํางานทุกสิ่งทุกอย่างาเพื่อสามีเพื่อความเจริญงอกงามของครอบครัวฉะนั้นสามีนั้นจะต้องเหลียวหลังดูบุตรภรย า, าบ้างนะบุตรก็คือลูกที่เกิดจากสามีภรรยานั่นเองอซึ่งทั้งสองก็ถือว่าเป็นผู้ได้ก่อร่างสายเลือดอันนี้มาก็คือเป็นบุตรหรือเป็นลูกของเรา ฉะนั้นถ้าหากว่าครอบครัวใดจะดีนั้นจะต้องดีหมดทั้งสามีภรรยาและลูกนะจะดีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่ได้ถ้าหากว่าดีฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ดีไม่เต็มที่หรือเรียกว่ามีความสุขไม่เต็มที่จะให้มีความสุขได้เต็มที่นั้นระหว่างสามีภรรยานั้นจะต้องมีความเห็นไปด้วยกันได้นะไปตามทางเดียวกันแต่ถ้ามีความขัดแย้งกันแล้วก็ไปกันไม่ได้ไม่ค่อยเจริญ วันนี้ก็ได้ทราบจากท่านอาจารย์ท่านหนึ่งท่านบอกว่ามีภรรยามีผู้หญิงคนหนึ่งนะได้เอาอสุนัขที่บ้านของตัวเองนั้นไปปล่อยนะไปปล่อยไว้ที่ที่วัดสเกตขอประทานโทษที่ออกชื่อที่วัดสเกตก็ปรากฏว่าสามีกลับมาจากทํางานเมื่อเห็นว่าสุนัขหายไปก็ออกติดตาม เพราะว่าสุนัขได้ถือว่าสิ่งที่ตัวเองรักมากหวงเห็นมากก็ติดตามาทราบว่าไปปล่อยที่วัดสเกตก็ไปเท่าเดินดูตาํากุติทั่วหมดเลยทุกตรอกซอกซอยก็ทำใหเ้เด็กวัดนั้นเกิดแคลงใจว่าเอา๊ะคนนี้คงจะไม่ใช่เป็นคนดีคงจะเป็นผู้ร้ายแล้วมั้งคงจะมาตัดช่องย่องเบาดูลักษณะไม่น่าไว้วางใจก็เลยใช้คาพูดไม่สุภาพก็เลยก็เกิดความขัดแย้งกัน คนนั้นเขาก็บอกว่าผมไม่ใช่เป็นคนธรรมดานะผมเป็นข้าราชการชั้นเกระทรวงศึกษาที่ผมมานี่ผมมาตามสุนัขของผมภรรยาผมเอามาปล่อยไว้ก็เหมือนกับว่าเอาดวงใจของผมมาทิ้งไว้ด้วยเจ้านั้นผมจึงตามหาก็ปรากฏว่ามาหาเจอนะมาหาเจออันนี้ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งที่ทําให้สามีภรรยามักจะอยู่กันไม่ยั่งยืนก็เพราะมีความเห็นไม่ตรงกันหรือไม่รู้จักอารมณ์อะโวยกัน สาเหตุที่ภรรยานั้นจะต้องเอาสุนัขมาปล่อยก็คือว่าวันหนึ่งกลับมาจะทํางานแล้วก็ในสุนัขเนี่มันก็เห่าแล้วมันเข้าไปกัดเขาก็เลยไม่พอใจนะอีกบ้านหนึ่งก็เหมือนกันนะเอานกเขาเอานกนกนกเขาแขกอะไรเนี่ยมาถวายนะวัดชนะสงครามนะภรรยามาถวายวัดชนะสงคราม ในสาเหตุที่มาถวายก็เพราะว่าเบื่อสามีไปสนใจแต่นกมากกว่าสนใจเมียว่างั้นเถอะสนใจมากเกินไปจนลืมเมียลืมลูกก็เลยเอามาถวายวัดซะเลยปรากฏว่าสามีก็ออกตามอีกเหมือนกันเพราะรักขวงแหนนกนั้นเป็นชีวิตจิตใจก็ตามมาขอเอากลับคืนไปในที่พูดยกตัวอย่างนี้มาก็เพื่อบอกให้ท่านผู้ฟังว่า คนที่เป็นสามีภรรยานั้นถ้าหากว่าไม่รู้จักอารมณ์อโลยกันไม่ร่วมทางกันแล้วก็มักจะมีเรื่องระหองระแหงเมื่อมีเรื่องระห้องระแหงแล้วก็มักจะไปโทษอย่างอื่นโทษดวงดาวโทษ เ, เลิกนอนเลิกยามบ้างนะว่าเคราะ์ไม่ดีอะไรไม่ดีจริงๆแล้วมันไม่ใช่มันอยู่ที่การกระทําของคู่สามีภรรยาต่างหากนะไม่สามารถจะอารมณ์อโลยสมัครสมานสามัคคีกันปัญหามันก็เกิดขึ้นฉะนั้นถ้าหากว่า สามีภรยาจะอยู่ด้วยกันให้เจริญรุ่งเรืองสามีนั้นก็ต้องยกย่องนับถือว่าเป็นภรยานะว่าเป็นภรยาการยกย่องนี้หมายถึงว่าไปที่ไหนเราก็พาไปนะพาไปออกงานออกการนะโดยที่ว่าไม่ทำลับลับล่อๆ อ, ออกงานก็ไม่เอาไปกลัวคนอื่นจะรู้ไม่ใช่อย่างนั้นนะจะต้องเอาไปนะบอกให้รู้ว่าคนนี้เป็นภรยาของผมครับคนนี้เป็นภรยาของฉันครับ อะไรนี่อย่างนี้เรียกว่าเรายกย่องไปไหนก็เอาไปด้วยนะไปไหนก็เอาไปด้วยแต่คําว่าเอาไปด้วยก็หมายถึงว่าในสิ่งที่ที่ควรเอาไปนะหรือว่าออกงานออกการบ้างบางคนไม่กล้าพาภรรยาออกไปอ่าจะออกไปก็กลัวจะไปเจออ่าเพื่อนฝูงเดี๋ยวจะรู้ว่าเอ๊ะภรรยามีหลายคนเดี๋ยวภรรยานี้จะไปเจอกับภรรยาคนโน้นไอ้คนโน้นก็จะไปรู้จะไปบอกเล่ากล่าวสิยกันก็จะมีแต่ทุกข์แต่โทษอันนี้เรียกว่าไม่ยกย่องกัน อนะไม่ยกย่องอนะเรียกว่าเหมือนกับว่าเป็นคนเจ้าชู้อย่างนั้นแหละนะไม่ตีนะแต่ว่าเราจะอยู่กัน ย, ยั่งยืนนั้นเราจะต้องยกย่องนะยกย่องว่าเป็นภรยาของเราแนะนําให้เพื่อนรู้จักอนะอย่างนี้ภรรยาเขาก็ดีใจเขาก็ภูมิใจประการที่สองต้องไม่ดูหมิ่นภรรยานะการไม่ดูหมิ่นก็หมายถึงว่าการไม่พูดจา กรแทกกระชั้นหรือว่าไม่พูดจาสามหาวาทาให้ปรรยาของเราต้องน้อยเนื้อน้อยเนื้อต่ําใจนะน้อยเนื้อต่ําใจหรือไม่ดูหมิ่นดูแคลนไปถึงวงตระกูลของเขาถึงแม้เขาจะมาจากตระกูลอะไรก็แล้วแต่เราจะต้องไม่พูดพาดพิงไปดูหมิ่นดูแคลนเขาหรือจะไม่ว่าภรรยาของเราให้น้อยเนื้อต่ําใจหรือทําให้หมดกําลังใจเราจะต้องยกย่องเทิดทูนพูดให้กําลังใจเขา ภรรยาก็จะมีกำลังใจในการทำงานก็จะมีกำลังใจในการปรนนิบัติสามีปรนนิบัติลูกแล้วก็ปรนนิบัติกิจการงานน้อยใหญ่ภายในบ้านนะอันนี้เราจะต้องยกย่องไม่ดูหมิ่นดูแคลนแปะการที่สามต้องไม่ประพฤตินอกใจก็คือว่าเรามีหนึ่งแล้วก็ต้องไม่มีสองนะการมีสองนั้นถือว่าเราเรายังคิดนอกใจ สแสดงว่าเราไม่ยกย่องว่าเป็นภรยาสแสดงว่าเรายังยังดูหมิน่นดูแคลนภรรยามันเหมือนกับว่าภรรยานั้นบกพร่องนะเราจึงต้องไปหาเสธหาเลยหาคนอื่นมาอีกอันนี้ก็ถือว่าไม่ถูกต้องเป็นการประพฤติย่ํายีจิตใจผู้เป็นผู้หญิงผู้เป็นภรรยาของเราฉะนั้นเราไม่ควรกระทําอย่างนี้การที่เราไปมีสองนั้นก็เท่ากับว่าเราเอาความสุข เราไปเอาความสุขของเรานีไปให้กับคนอื่นซึ่งเมื่อก่อนนั้นเรามอบให้กับภรรยาของเราแต่เมื่อมีสองคนเข้าแน่นอนที่สุดความสุขที่ภรรยาของเราได้รับอย่างเต็มที่ก็ต้องลดไปครึ่งหนึ่งเนอันนี้ก็แน่นอนที่สุดเขาย่อมเสียอกเสียใจเมื่อมีคนต้องมาช่วงชิงแย่งความสุขหรือแบ่งความสุขเขาออกไปแน่นอนที่สุดใครบ้างใครก็หวงแหงแนะคนโบราณจึงบอกว่า เสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใครแต่คนเดียวนี้มักจะพูดว่าถ้าได้ทองเท่าหัวใครอยากได้ผัวก็เอาไปนะเพราะว่าทองมันแพงบางั้นทองมันแพงอถ้าได้เท่าหัวแล้วก็กินไปตลอดชาติก็สบายนะนะฉะนั้นนี่มันเป็นเรื่องของการลัศมยนะฉะนั้นเราเป็นสามีก็ต้องไม่ประพฤตินอกใจมีหนึ่งก็ต้องเป็นหนึ่ง อย่างนี้ความสุขก็มีมากนะไม่ต้องมีปัญหาเมียหลวงเมียน้อยไม่ต้องมีปัญหาเรื่อง ล, ลูกเมียหลวงเมียน้อยแล้วก็เรื่องญาติค้นข้างเคียงอะไรมาให้เป็นเรื่องเดือดเนื้อร้อนใจแต่บางคนก็พูดบอกว่าในที่สามีทำอย่างนี้เพราะไม่รู้จักฐานะของตัวเองนะอถ้าหากว่ามีฐานะดีมีความมั่นคงพอที่จะเลี้ยงได้อันนั้นก็พอว่า แต่นี้รู้สึกว่าเดือดร้อนนะเดือดร้อนก็ยังจะไปหาความทุกข์เพิ่มขึ้นอีกมันก็ยิ่งทุกข์มากยกใหญนะ่ก็สร้างปัญหาให้เกิดขึ้นกับลูกกับเต้านะขาดความอบอุ่นจากพ่อจากแมนะ่เพราะมีปัญหาระหว่างครอบครัวประการที่สี่ต้องมอบความเป็นใหญ่ให้คําว่ามอบความเป็นใหญ่ให้ก็หมายความว่านหน้าที่ของแม่บ้านนั้นมอบให้ภรรยาเพราะภรรยานี้ชอบไอ้เรื่องความเป็นแม่บ้าน ไม่อยากให้สามีต้องมาช่วยทําการงานในบ้านอันนี้พูดถึงผู้หญิงสมัยก่อนนีิถือมากเลยงานบ้านนิถือว่าเป็นงานของภรยางานนอกบ้านถือว่าเป็นงานของสามีนะฉะนั้นเรื่องครัวเรือนถุงแกงต้มจัดปัดกวาดบ้านช่องห้องหอหรือซักเสื้อผ้านี่ผู้หญิงมักจะทําหมดถือว่าเป็นงานละเอียดงานครัวทุกสิ่งทุกอย่างแต่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าอะไรอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงไป เดี๋ยวนี้บางครั้งก็สามีทําหน้าที่เป็นแม่ครัวทาหน้าที่เป็นแม่บ้านไอ้แม่บ้านก็กลับไปทําหน้าที่นอกบ้านนะไปทาหน้าที่นอกบ้านมันกลับกันไปหมดแต่บางคู่ก็ดีช่วยกันทำนะงานในบ้านก็ช่วยกันทํางานนอกบ้านก็ช่วยกันทาจริงๆแล้วมันก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเรามีโอกาสมีเวลาก็ควรจะช่วยกันทาไม่จาเป็นจะต้องมอบให้คนหนึ่งคนใด แต่ว่าปรายานั้นพูดถึงเรื่องการหุงต้มนั้นรู้สึกว่าเขาจะชอบถ้าหากว่าผู้หญิงคนไหนไม่ชอบเกี่ยวกับเรื่องการหุงหาอาหารก็เหมือนกับว่าได้ได้หมวดสเสน่ห์ลงไปผู้หญิงคนนั้นก็คือไม่มีสเสน่ห์เรียกว่าไม่มีสเสน่ห์ก็เหมือนกับว่ามีแต่สเสนีย์นะหุงข้าวแกงต้มไม่เป็นนี่ถือว่าใช้ไม่ได้อถูบ้านถูช่องไม่เป็นไม่รู้จักจัดการบ้านนี่ถือว่าใช้ไม่ได้ เป็นภรรยานั้นจะต้องมีความรอบคอบเกี่ยวกับเรื่องพลนิบัติสามีเกี่ยวกับเรื่องเลี้ยงลูกเกี่ยวกับเรื่องจัดบ้านจัดท่องต้องรู้จักปรับปรุงเปลีป่ยนแปลงโต๊ะโต๊ะตู้ต่างเตียงอะไรก็แล้วแต่มันควรจะอยู่ตรงไหนตรงนั้นควรจะทําอะไรจึงจะให้ดูมันสวยงามจึงจะอยู่กันยั่งยืนเพื่อให้เกิดความเซ็งความเครียดอะไรเนี่ยมันต้องภรรยาจะต้องฉลาดต้องฉลาดข้อนี้จึงว่าเป็นสิ่งสําคัญฉะนั้น สามีจึงมอบความเป็นใหญ่ให้เกี่ยวกับเรื่องในครัวเรือนประการสุดท้ายสามีจะต้องรู้จักหาทรัพสมบัติให้พูดง่ายๆก็คือว่าหาของขวัญให้ตามโอกาสตามกาลละสมัยเช่นวันเกิดของภรรยาก็อาจจะซื้อผ้าสักชุดหนึ่งหรืออาจจะทำสร้อยคอให้หรือแหวนหรื อ, อตุ้มหูอะไรก็แล้วแต่ละ ที่ดูมันเหมาะมันสมแค่นี้เขาก็ดีใจแค่นี้ก็เป็นกำลังใจอันนี้ก็เห็นจะมีแต่เฉพาะในที่เจริญนะในกรุงไอ้ที่นอกกรุงตําชนทมบทก็หายากวันเกิดก็ลืมนะสามีก็จําภรรยาไม่ได้ภรรยาก็จําสามีไม่ได้นะก็อยู่กันไปอย่างนะั้นนะตามภาษาชนบทและไอ้เรื่องของฝันจะซื้อให้กันก็ยากนะยากเต็มทีต่างคนต่างไม่ซื้อให้กันเขาไม่ได้ไม่ค่อยใส่ใจ แต่ว่าคนที่มีการเรียนการศึกษาดีก็มักจะมีการซื้อของขวัญให้เป็นกำลังใจนะเป็นกำลังใจในวันเกิดหรือว่าปีใหม่ปีใหม่ก็อาจจะพาไปทานอาหารที่โน่นที่นี่ชวนเพื่อนมาพบปะสังสรรค์กันก็มีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญแนะนําภรรยาสามีของกันแนะนํำลูกเต้ากันมอบเครื่องของขวัญให้กันบ้างได้รับแล้วก็รู้สึกดีใจรู้สึกภูมิใจ หรือในคราวที่ภรรยาคลอดลูกก็มักจะมีของขวัญให้เป็นกําลังใจอันนี้ก็แล้วแต่ละคใครจะมอบให้โอกาสไหนซึ่งแต่ละคนก็ย่อมไม่เหมือนกันอันนี้เป็นหน้าที่ของสามีที่จะพึงบำรุงภรรยาด้วยหลักห้าสถานเมื่อสามีบำรุงภรรยาบุตรภรรยาด้วยหลักห้าสถานอย่างนี้ภรรยาก็ย่อมจะ บำรงหรือเรียกพูดง่ายๆปรนิบัติสามีด้วยหลัก5ประการคือหนึ่งจัดการงานดีหมายถึงว่าจะต้องเป็นคนรู้จัดจัดการงานน้อยใหญ่ประการที่สองสงเคราะห์คนข้างเคียงของผัวดีสไม่ประพฤตินอกใจผัว 4. ี่รักษาทรัพย์ที่ผัวหามาได้ 5. ขยันไม่เกียจค้านในกิจการงานทั้งปวง ในข้อที่หนึ่งหมายความว่าคนที่เป็นภรรยานั้นจะต้องรู้จักจัดการงานดีคําว่าจัดการงานก็คือการงานมีสองอย่างหนึ่งการงานของสามีไอ้คำว่าการงานของสามีนี้แน่นอนที่สุดเราจะต้องไม่ไปก้าวไายแต่หมายถึงว่าการงานที่สามีจะต้องใช้ เ, เครื่องใช้ไม้สอยต้องจัดเรียบร้อยตามโต๊ะตามเตียงอะไรก็แล้วแต่ที่สามีจะเพื่อใช้สมุดบินสอเสือ้อผ้าอาภรณ์จะต้องรู้จัก เก็บรู้จักใจให้มันเป็นทิศเป็นทางาดูให้มันเป็นระเบียบเรียบร้อยหยิบก็ง่ายหายก็รู้ดูก็งามตาแต่ว่าบางคนไม่ได้สนใจนะข้อนี้ไม่ได้สนใจอผัวจะไปยังไงจะไปยังไงก็ช่างนะล่อยอยู่อย่างนั้นเองอันนี้มันก็เป็นเหตุหนึ่งที่ที่ทาให้หมดสเสน่ห์ไปฉะนั้นภรรยาอยากจะมีสเสน่ห์ดีให้สามีรักมากๆยังจะต้องมี มีความเฉลียวฉลาดนะต้องมีความเฉลียวฉลาดรู้ว่าสามีเป็นคนมีนิสัยอย่างไรต้องรู้จักเอา อ, อกเอาใจนะต้องขยันทำการงานนะทการงานต้องรู้จักจัดเสื้อผ้าอภรรบางครั้งก็ดูว่าอันนี้ควรไม่ควรนะบางคนนี่ก็เกินไปนะบางคนเกินไปเคยมีภรรยา คนหนึ่งได้มาเล่าให้ฟังว่าเขานี่โปรนิบัติสามีดีมากพอมาถึงนี่ก็เริ่มตั้งแต่เข้าไปเปิดประตูถอดรองเท้าให้ถอดเน็กไถ่ให้แก่เน็กไถ่ให้ถอดเสื้อให้เอาไปผึ่งเอาแก้วน้ํามาให้นะพวกนี้จะไปทํางานก็เอาแล้วเอาชุดนี้ไปเรียกว่าจัดให้หมดวันนี้ชุดนี้ปลุกนั่นชุดนั้นดีซะจนเกินไปเลยสามีอยู่ไม่ได้นะอย่างนี้เรียกว่าดีเกินไป สามีต้องอยู่ในเกล่าว่างั้นเธอจะต้องวันนี้จะต้องใช้เสื้อตัวนั่นตรงนี้จงใช้ตัวนี้ตรงใช้เน็คไทอันนั้นตรงเท้าคู่นี้อย่างนี้เขาเรียกว่าดีเกินไปนะดีเกินไปก็เลยอยู่กันไม่ได้นะอันนี้ก็มีอีกเหมือนกันนะอันนี้ก็มีให้เห็นอยู่บ่อยๆฉะนั้นสามีภรรยาจะอยู่กันได้นั้นมันจะต้องมีความพอดีนะมีความพอดี ถ้ามันเกินพอดีเขามันก็เสียเหมือนกับน้ำมันล้นตุ่มล้นขวดล้นแก้วมันก็ไม่มีค่าไม่มีราคาไม่มีคุณงามความดีไม่มีประโยชน์ฉะนั้นสามีภรยาจะต้องรู้จักความพอดีประราการที่สองภรยาจะต้องสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีอ่าข้อนี้หมายความว่า ญาติของสามีมีตั้งแต่พ่อแม่พี่น้องอะไรก็แล้วแต่เขามานี่เราจะต้องรู้จักสงเคราะห์ไอคําว่าสงเคราะห์ก็คือต้อนรับนะรู้จักต้อนรับขับสู้ให้เลี้ยงอาหารหวานข้าวหุงหาอาหารให้จัดที่อยู่ที่พักให้ยิ้มแย้มแจ่มใสเข้าไปหาเวลาจะกลับก็มีของฝากเล็กๆน้อย ๆ, ๆ, ๆหรือถึงวันสําคัญในทาง อศาสนาก็ดีหรือวันสาคัญของชาติมีอะไรก็ไปเยี่ยมเยือน ม, มีของฝากบ้างเป็นของฝันบ้างอ่าอันนี้ถือว่าเป็นการส่งเคราะห์นะถ้าหากว่าเราไม่ทําอย่างนี้มันก็รู้สึกว่าจะทําให้ความเป็นสามีภรรยานั้นจืดชืดลงไปข้อนี้สําคัญมากถ้าหากว่าสามีรู้ว่าภรรยานั้นเอาใจเอาใจคนข้างเคียงของตัวหรือว่าทาง ญาติพี่น้องก็รู้สึกว่าภูมิใจนั้นดีใจก็จะทําให้เพิ่มความรักภรรยาก็อยากทําให้ขยันทํากิจการงานเพื่อลูกเมียของตนเพราะลูกเมียเป็นคนดีภรรยาก็เหมือนกันก็อยากให้สามีสงเคราะห์คนข้างเคียงของตัวเองสามีก็ต้องทําไม่ใช่ว่าจะเพราะภรรยาจะต้องสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีสามีก็ต้องสงเคราะห์คนข้างเคียงของภรรยาพ่อแม่เป็นต้นไปแต่ทุกวันอันนี้เรามักจะขาดในข้อนี้ นะเห็นแก่ตัวนะเป็นการเห็นแก่ตัวกันที่เขาบอกว่าถ้ารับพ่อแม่ก็เสียเมียถ้ารับเมียก็เสียพ่อแม่นี่มันก็ยากอบางครั้งภรรยาก็สงเคราะห์แต่ญาติพี่น้องของตนญาติพี่น้องของสามีไม่เอาบางครั้งกอสามีก็เอาแต่ญาติพี่น้องของตนญาติพี่น้องของภรรยาไม่เอาเนะี่ยมันไม่พอดีกันนะมันไม่พอดีกัน นั้นเราทั้งสองจะต้องสงเคราะห์ซึ่งกันและกันตามโอกาสอันสมควรตามฐานะอย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวจะทําอะไรก็ทําให้มันเสมอกันนะอย่างนี้ก็จะไม่มีการลบหลูดูเหมิ่นกันความรักก็จะยืนยาวต่อไประการที่สามต้องไม่ประพฤตินอกใจสามีก็คือว่าการเป็นภรรยานั้นเราก็ต้องถือว่าเป็นหนึ่งนะเป็นหนึ่งอยู่แล้วนะ ก็ทำหน้าที่ของความเป็นภรยาคือรักสามีให้มากอย่าไปเห็นคนอื่นชายอื่นมื่นพันแม้จะร่ำรวยรูปรล่ออย่างไรก็ต้องนึกว่าไม่วิเศษวิสโสไปกว่าสามีของเราสามีของเราเท่านั้ น, ถ, น, าานนะถือว่าเป็นเจ้าชายในดวงใจถือว่าเป็นเจ้าชายในดวงใจภรรยาก็ถือว่าเป็นเจ้าหญิงในดวงใจดังนั้นเราจะต้องมีคู่เดียว คือมีพระยาก็ต้องมีคนเดียวมีสามีก็ต้องมีคนเดียวคือต่างเป็นหนึ่งของกันและกันไม่มีสองเมื่อเราเป็นหนึ่งไม่มีสองแน่นอนที่สุดเราก็จะครองรักครองเรือนกันด้วยสันติสุขเราก็จะครองรักครองเรือนอย่างจเจริญก้าวหน้าคนอื่นเห็นก็หน้าอิจฉาในความครองรักครองเรือนของเราฉะนั้นขอให้เราทุกคนจะต้อง ไม่ประพฤตินอกใจการประพฤตินอกใจก็คือเป็นการดูหมิ่นเยยดยามน้ำใจของสามีดูหมิ่นเยยดยามน้ำใจของภรรยาไม่ดีการจะพูดจะคุยก็ต้องอยู่ในฐานะอยู่ในโอกาสอันสมควร อ, อย่าให้ทำลับลับห ล, บลอลอกมืดมืดคาคำหรือไปไหนเดินทางอันนี้เราจะต้องต้องคิดให้รอบคอบนะอย่าทำอะไรมักง่ายตามอาเภอใจ เพราะจริงเหล่านี้จะเป็นเหตุทําให้คู่สามีภรรยานั้นอยู่กันไม่ยั่งยืนมีการทะเลาะเบาะแวงกันอยู่ตลอดเวลาเราจะสังเกตดูแม้ตาละคระที่เขาแสดงทางวิทยุ ก, ก็ดีหรือทางทีวีก็ดีก็มักจะแสดงไอ้เรื่องควบคู่เมียเมียเนี่ยอิจฉาเสี ย, ย ก, กันก็เพราะไอเหตุอย่างนี้เองอันนี้มันเป็นเครื่องเตือนจิตสกิดใจสําหรับคู่สามีภรรยามากแต่ทุกวันนี้เรามักจะปล่อยปละละเลยกัน ถือว่าแกทําได้ค่ะกอดทำได้ทดี่ผู้ชายทาไม่เห็นมีผิดผู้หญิงทํามีผิดอย่างนี้หมา ย, ยุติธรรมก็พยายามเรียกร้องก็พยายามที่จะฝืนความรู้สึกอันนี้อเอาทิฐิมานะเข้าหากันอย่านี้มันก็พังกันทั้งคูนะ่อยู่กันไม่ได้นะฉะนั้นเราจะต้องไม่นอกใจของสามีเอาความรักให้สามีคนเดียวทุ่มเท ให้ทุกสิ่งทุกอย่างทั้งกายและใจสามีก็จะรักก็ทําให้ทั้งสองมีความกระยันขันแข็งในการที่จะประกอบกิจการงานน้อยใหญ่ประการที่สี่ก็คือรักษาทรัพย์สมบัติที่สามีหามาได้ข้อนี้ก็สําคัญคือคนโบราณนั้นถือว่าไอ้ทรัพย์หรือว่าการงานภายนอกนั้นเป็นหน้าที่ของสามีที่จะต้องหามาจุนเจือภรรยาจะต้องรู้จักเก็บรู้จักจับใจ รู้จักจัจ่ายเหมือนกับคำกลอนที่ว่ามีเสรึงพึงมันจบให้ครบบาทยาให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์เมื่อมีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจงอย่าจ่ายลงให้มากจะ ย, ยากนานไม่ควรซื้อก็อย่าไปพี่ไรซื้ อ, ใ ห, อให้เป็นมือเป็นคราวทั้งให้เป็นมือเป็นคราวทั้งคาวหวานนี่ฉะนั้นเป็นพระยา น, นั้นจะต้องรู้จักใช้จ่ายทรัพสมบัติที่สามีหามาได้ถ้าหากว่า เราเอาทรัพสมบัตินั้นไปใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายหรือเอาไปปรนนิบัติชายอื่นอันนี้แน่นอนที่สุดก็จะเป็นรอยร้าวเกิดขึ้นในชีวิตครอบครัวหรือว่าในชีวิตของสามีภรรยาก็จะทำให้เป็นปัญหาแก่ลูกหญิงชายหรือว่าเป็นปัญหาไปถึงชื่อเสียงวงตระกูลฉะนั้นเราจะต้องรู้จักรักษาทรัพสมบัติพยายามใช้จ่ายในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์นะทาให้เป็นประโยชน์ให้มาก เมื่อเราจ่ายในสิ่งที่เป็นประโยชน์มากแน่นอนที่สุดอแล้วก็รู้จักเอาทรัพย์นั้นอ่ะไปทําให้มันเกิดดอกออกผลทําให้มันเกิดประโยชน์นะให้มันเกิดประโยชน์มากอันนี้ก็เพื่อครอบครัวของเราเพื่ออนาคตลูกของเราถ้าหากว่าภรรยาไม่รู้จัก ร, รักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้แน่นอนที่สุดก็จะเกิดความหายนะนะจะเกิดความหายนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ ทุกคนควรกระทำแต่พูดพูดถึงการรักษาทรัพย์สมบัติที่สามีหาไม่ได้เดี๋ยวนี้สามีหาคนเดียวไม่เพียงพอนะอันนี้เพราะว่าเหตุการณ์มันก็เปลี่ยนแปลงไปโลกมันก็เปลี่ยนแปลงไปอะไรอะไรมันก็แพงขึ้น เ, เป็นเงาตามตัวนะเศรษฐกิจมันกเ็เปลี่ยนแปลงไปฉะนั้นบางครั้งสามีหาคนเดียวไม่พอภรรยาก็ต้องช่วยหาอีกด้วยนะฉะนั้น ต่างคนต่างก็ต้องช่วยกันรักษาทรัพย์แต่พูดถึงเรื่องทรัพย์นี้โดยมากส่วนใหญ่แล้วเรามักจะมอบให้เป็นหน้าที่ของภรรยาถึงแม้ว่าต่างคนต่างหาก็จะมอบให้ภรรยาเป็นคนเก็บเป็นคนจับจ่ายมีน้อยที่เราจะได้ยินว่าสามีเป็นคนจับจ่ายถ้าสามีคนไหนเป็นคนจับจ่ายเองพวกผู้หญิงก็จะไปติชินนินทากันว่าหาว่าแข้มบ้างหาว่ากระดูกบ้างไม่ไว้เนื้อเชื่อใจอย่างนี้อยู่ไม่ได้เนยมักจะพูดกันอย่างนั้นอะฉะนั้นก็ อันนี้ก็ยังเป็นค่านิยมว่ามักจะมอบให้กับภรรยานะดะนั้นภรรยาก็จะต้องรู้จักใช้จ่ายทรัพย์นะมีมากกว่าใช้มากมีน้อยกว่าใช้น้อยนะอันนี้ก็เพื่อความสุขความเจริญในครอบครัวนะเพื่ออนาคตของลูกกนะ็ทำอย่างนี้ได้ก็มีแต่ความดีความงามแล้วก็ความชื่นชมโสมนัสประการสุดท้ายภรรยาจะต้องขยันไม่เกียดค้านในกิจการงานทั้งปวงนะ อันนี้คนโมราณถือมากนะเขาบอกว่าเป็นผู้หญิงนี่ต้องทำเป็นภรรยาเขานี่จะต้องทําตัวเหมือนกับเยี่ยงทาตุต้องทําตัวเหมือนกับเยี่ยงธาตุแต่ว่าทุกวันนี้รู้สึกว่าภรรยาไม่ยอมเรื่องอะไรจะต้องไปทําตัวเหมือนกับเยี่ยงธาตเราก็มีตระกูลเราก็มีฐานะเราก็มีพ่อมีแม่เราก็มีเงินมีทองอเรื่องอะไรจะต้องไปปฏิบัติเอาใจเขาเหมือนอย่างกับคนใช้ นี่แหละเป็นเหตุหนึ่งที่ทาให้อยู่กันไม่ยืนยาวเพราะไม่เคารพสามีคนโบราณพอแต่งงานกันแล้วนี่จะนอนก็นจะต้องให้ภรรยากราบไหว้เท้าสามีทุกวันบางคนนี่น่าชื่นใจอยู่กันจนห้าสิบหกสิบปีก็บอกยังกราบไหว้อยู่เป็นนิดแม่อันนี้หายยากน ะ, อ, ะอันนี้หายยากฉะนั้นจึงบอกว่าภรรยาเนี่ยเราจะต้องมีคำหนึ่งว่าถ้าหากว่า เราทำตัวเหมือนกับคนใช้นี่แหละถือว่าเป็นภรรยาที่ดีมีค่าสามีก็จะอมอบความรักให้มากแล้วก็ให้เกียรติด้วยให้เกียรติด้วยแล้วก็จะยกย่องแต่ถ้าภรรยาอวดดีตีตนเสมอไม่ให้เกียรติไม่ยกย่องสามีไม่ขยันทำกิจการงานน้อยใหญ่อันนี้ก็จะเป็นที่บาดหมางใจในชีวิตคู่ก็จะมีแต่ความทุกข์มีแต่ความเดือดร้อนฉะนั้นเป็นภรรยาจะต้องอขยัน ทำกิจการงานขยันงานบ้านหรือว่างานนอกบ้านก็ต้องขยันนะ เ, เกี่ยวกับเรื่องเสื้อผ้าอาภรรหรือความปัดกวาดเสนาสนะเรื่องลรคเรื่องเต้านี่ทุกสิ่งทุกอย่างภรรยาจะต้องขยันเมื่อทําอย่างนี้ได้สามีก็จะมีแต่ความรักมีแต่ความชื่นชมฉะนั้นเมื่อพูดถึงอาทิตย์หกในข้ อ, อที่สามเกี่ยวกับเรื่องอาทิตย์เบื้อง เกี่ยวกับเรื่องทิศเบื้องหลังนะคือบุทรภยานั้นก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาฉะนั้นอันนี้นักเรียนนักศึกษาและท่านสาธุชนทั้งหลายฟังเกี่ยวกับเรื่องสามีพึงบำรุงภรรยาด้วยหลักฆ้าสะฐานคือยกย่องนับถือว่าเป็นภรรย า, าด้วยไม่ดูหมินด้วยไม่ประพฤติล่วงใจหรือนอกใจด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้และก็มอบ เครื่องประดับหรือเครื่องแต่งตัวหรือของขวัญให้ในโอกาสอันสมควรเมื่อเราบำรุงภ ร, รยาให้เกยียรติภรรยายกจ่องภรรยาอย่างนี้ภรรยาก็ย่อมจัดตอบแทนเราด้วยการจัดการงานดีสงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดีไม่ประพฤตินอกใจสามีรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้พยันไม่เกยียจคร้านทํากิจการงานทั้งปวงอันนี้ก็จะมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญเอาละการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องทิศทก ในข้อทิศเบื้องหลังมาก็พอสมควรกับเวลาในที่สุดนี้ขอให้ผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพรวันนี้ได้พูดถึงเรื่องของกีหิปฏิบัติคือข้อปฏิบัติสำหรับเครือหัดในหัวข้อทิศหกคราวที่แล้วได้ว่าถึงเรื่อง อาทิตย์เบื้องหน้าคือมารดาบิดาแล้วก็ทิศเบื้องขวาคือครูอาจารย์แล้วก็ทิตยเบื้องหลังคือบุตรภรยาฉ่นั้นวันนี้ก็มาต่อในทิตยเบื้องซ้ายหมายถึงมิตรสหายคําว่าทิศเบื้องซ้ายาท่านเปรียบว่าได้แก่มิตรสหายคือหมายถึงว่ามิตรสหายนี้ถือว่าเป็นบุคคลสําคัญนะ ต่อจากมารดาบิดาต่อจากมารดาบิดาต่อจากครูอาจารย์ต่อจากบุตรภรรยาก็คือมิตรนั่นเองคนเราทุกคนเกิดมาจะต้องมีมิตรจะต้องมีเพื่อนจะต้องมีสหายคําว่ามิตรหมายถึงว่าคนที่เคยร่วมสุขร่วมทุกข์เคยกินด้วยกันเคยนอนด้วยกันเคยคบกันอย่างนี้จึงเป็นมิตรกันดังนั้นคนทุกคนจะต้องมีมิตรมีเพื่อน ต้องมีมิตรมีเพื่อนฉะนั้นาการที่เราจะผูกน้ำใจกับมิตรไว้ได้หรือจะยึดเหนี่ยวน้ำใจของมิตรของเพื่อนพ้องบริวารไว้ได้นั้นก็จะต้องอยึดหลักห้าประการคืนหนึ่งต้องให้ปั น, นต้องให้ปันก็คือต้องเสียสละสองด้วยการเจรจาถ้อยคำที่ไพเราะข้อสาด้วยต่างคนต่างประพฤติให้เป็นประโยชน์ ข้อสี่ด้วยความเป็นผู้มีตนเสมอกันข้อที่หด้วยไม่แกล้งกล่าวให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงอันนี้หมายความว่าเมื่อเรามีเพื่อนมีมิตรสหายเราจะต้องมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาถ้าหากว่าเราไม่มีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันไม่แบ่งปันกันไม่อบเอื้ออารีกันเราก็เท่ากับว่าตัดญาติขาดมิตร คนนั้นก็ไม่มีมิตรไม่มีเพื่อนคนถ้าไม่มีมิตรไม่มีเพื่อนก็เหมือนกับอยู่กลางทะเลทรายมันว้าเหวมันเงียบเหงาฉะนั้นเพื่อนมิตรสหายนี่แหละทําให้เรานั้นมีความสุขมีความเจริญบางครั้งคนเราก็ได้ดีเพราะเพื่อนก็มีมากไอ้ที่ชั่วเพราะเพื่อนก็มีมากจึงมีภาษิตบทหนึ่งไว้ว่าคนจะดีบางทีก็เพราะเพื่อน ช่วยตัดเตือนเงื่อนงำตามวิสัยแต่บางทีเพื่อนนี้ก็เป็นภัยเป็นปัจจัยให้เราต้องเผาเรือนนี่อย่างนี้ก็มีนี่มีคํากลอนอีกบทหนึ่งว่าเพื่อนจะดีมีหนึ่งถึงจะน้อยดีกว่าร้อยเพื่อนคิดรฤษยาเหมือนมีเกลือนิดหน่อยน้อยราคายังดีกว่ามีน้ำเค็มเต็มทะเลนี่ ฉะนั้นจึงบอกว่าเรื่องเพื่อ น, นจึงเป็นสิ่งสำคัญนะเป็นสิ่งสาคัญคนไม่มีเพื่อนให้สังเกตดูจะไปทางไหนก็รู้สึกว่ามันเปลี่ยวเปล่านะมันเปลี่ยวเปล่าขาดมิตรขาดบริวารดูแล้วมันไม่ภาคภูมิใจแล้วเขาก็จะลงความเห็นได้ว่าเป็นคนเห็นแก่ตัวเป็นคนเข็มไม่เอาพวกเอาพ้องฉะนั้นเรามีมิตรเราก็ต้องช่วยเหลือมิตรแบ่งปันให้กับมิตรให้กับสหาย ความรักก็จะเกิดขึ้นความสมัครสมานมันก็จะแนบแน่นมากยิ่งขึ้นก็ทำให้มีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันนี่เป็นประการแรกประการที่สองเราจะต้องมีการเจรจาถ้อยคำระหว่างเพื่อนด้วยถ้อยคำที่ไพเราะคือหมายถึงว่าพูดแล้วให้เกิดประโยชน์ให้เกิดกาลังใจพูดแล้วทาให้เพื่อนฟังแล้วไม่เบื่อแต่ถ้าพูดไปแล้วเพื่อนฟังเบื่อมิฟังแล้วเบื่อแน่นอนที่สุดก็ ถือว่าไม่เป็นมิตรที่สมบูรณ์ไม่เป็นมิตร ท, ที่ที่แท้จริงมิตรที่แท้จริงนั้นจะต้องไม่พูดทําลายเพื่อนมีแต่พูดให้เกิดกําลังใจแนะนำในสิ่งที่เป็นประโยชน์แนะนำในสิ่งที่เป็นทุระบอกทางรีชี้ทางชั่วให้อย่างนี้ใช้ได้อย่างนี้ใช้ได้ไดประการที่สามอนอกจากว่าเราจะพูดในถ้อยคาที่ไปเราะต่อกันแล้วก็ต้องประพฤติให้เป็นประโยชน์ หมายถึงว่าทําตัวให้เป็นประโยชน์ต่อกันคําว่าทําตัวให้เป็นประโยชน์ต่อกันก็หมายถึงว่าเพื่อนมีกิจการอันใดเราก็ช่วยเหลือเพื่อ น, นช่วยเหลือต่างช่วยเหลือกันอย่างนี้ทำเป็นทำตัวให้เป็นประโยชน์นช่วยเหลือกันแนะนํากันอย่างนี้ใช้ได้ประการที่สี่ก็ด้วยความเป็นผู้มีตนเสมอกันก็คือถือว่าเพื่อนนี่เป็นบุคคลเสมอกันมิตรสหายนี้ถือว่าเป็นบุคคลเสมอกันดังนั้น ในความที่เรามีเพื่อนมีอะไรที่มันเสมอกันก็เราจะทําอะไรเราก็ถือว่าเป็นเพื่อนนะเป็นเพื่อนนะเราไม่ไม่ถือว่าเขาต่ํากว่าเรานะก็ไม่ถือว่าเขาสูงกว่าเราก็ถือว่าเรานั้นเป็นเพื่อนกันเป็นมิตรเป็นสหายกันนะไอ้ความเป็นมิตรเป็นสหายเ่มีอะไรก็อาภัยให้กันได้นะมีอะไรก็อภัยให้กันได้นะเรียกว่า เราไม่ดูเหม่นดูแคลนกันถึงแม้อะไรจะล่วงล้ำกั้มเกินผิดพลาดไปบ้างเราก็ อ, อภัยให้กันแต่โดยใจจริงแล้วเราจะต้องวางตนให้สม่ำเสม อ, อในความเป็นเพื่อนอไม่ถือว่าถึงยามดีแล้วก็ยกย่องเพื่อนถึงยามตกทุกข์ได้ยากแล้วก็ถือว่าตํำหนิเพื่อนอย่างนี้ใช้ไม่ได้ อ, อย่างนี้ใช้ไม่ได้ฉะนั้นเราจะต้องเป็นผู้มีตนสม่ำเสมอกัน ประการที่ห้าด้วยไม่แกล้งกล่าวให้คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงก็หมายความวา่ามีอะไรก็จะต้องไม่ใส่ร้ายเพื่อนหรือไม่แกล้งพูดให้เพื่อนนั้นต้องเข้าใจผิดมีอะไรก็ต้องเปิดเผยให้เพื่อนนั้นรู้ความจริงนะให้เพื่อนนั้นรู้ความจริงการที่เราไม่พูดความจริงตอ่อเพื่อนก็คือเราไม่ไว้ใจเพื่อนอันนั้นถือว่าเป็นยาพิษที่ทําลายมิตรเป็นยาพิษที่ ที่เราไม่ปรารถนาดีในการที่จะเป็นมิตรกันต่อไปฉะนั้นจึงบอกว่าความระแวงสงสัยเป็นปัจจัยให้เรานั้นทำลายมิตรก็มิตรก็จะกลายเป็นศัตรูฉะนั้นขอให้เราทุกคนนั้นจงพูดความจริงกับเพื่อนนะพูดความจริงกับเพื่อนเพื่อนก็อาจจะช่วยเหลือเกื้อกูลได้หรือพูดความจริงกับเพื่อนก็จะทาให้เพื่อนนั้นรักยกย่องนับถือได้ อย่าพยายามแกล้งใส่ร้ายหรือพูดโกหกหลอกลวงพูดคําเสียดสีอพูดอย่างนี้ก็ทําเป็นการทําลายมิตรไม่ดีถือว่าเป็นยาพิษที่โรยไปในจิตใจของเพื่อนฉะนั้นเมื่อเราปรารถนาจะมีมิตรนั้นเราก็ต้องบํารุงมิตรอย่างนี้เมื่อเราได้รับเมื่อเราบํารุงมิตรอย่างนี้มิตรเห็นว่าเราทําดีแน่นอนที่สุด เขาก็ย่อมจะอนุเคราะห์เราตอบแทนเราด้วยหลักห้าประการอีกเหมือนกันคือหนึ่งรักษามิตรผู้ประมาทแล้วสองรักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้วสมเมื่อมีภัยก็เอาเป็นที่พึ่งพานักได้สี่ไม่ละทิ้งในยาวิบัติหนับถือตลอดถึงวงของมิตรหมายถึงว่าถึงวงตระกูลอันนี้ก็หมายความว่า เมื่อเราได้ให้ความไว้วางใจช่วยเหลือเกื้อกูลมิตรเจรจาถ้อยคำไพเราะกับมิรประพฤติตัวให้เป็นประโยชน์กับมิตรอาความเป็นผู้มีตนเสมอกับมิตรไม่แกล้งกล่าวให้คาดเคลื่อนจากความเป็นจริงต่อมิรมิรก็ย่อมจะช่วยเหลือเราการช่วยเหลือเราก็คือรักษามิตรผู้ประมาทแล้วเป็นข้อแรกอันนี้หมายความว่า ยามที่ตัวเรานั้นผิดพลาดอะไรมิตรก็จะเป็นผู้คอยรักษาไว้ให้รักษาไว้ให้ก็คือคอยเตือนสติหรือให้หรือบอกอาทางดีชี้ทางชั่วให้ว่าทาอย่างนั้นไม่ถูกทำอย่างนี้ไม่ถูก เ, เป็นการผิดมีแต่คนที่จะติชินนินทาก็จะต้องบอกว่าอันนี้เป็นประโยชน์อันนี้ถูกอันนี้ควรนะอันนี้ควรอย่างนี้เรียกว่า รักษามิตรผู้ประมาทแล้วก็ยังรักษ า, าตัวของมิตรด้วยชื่อเสียงของมิตรด้วยนะประการที่สองรักษาทรัพย์ของมิตรผู้ประมาทแล้วหมายถึงว่าทรัพย์สมบัติอันใดของมิตรจะเป็นทรัพย์ที่มีวิญญาณาที่เดินได้เคลื่อนไหวได้หรือว่าทรัพย์ที่ไม่มีวิญญาณสมบัติพัฒนาในต่างๆจะมีใครมากองหรือว่าแย่งชิง เมื่อมิตรทราบเข้าก็แน่นอนจะต้องรักษาจะต้องป้องกันนะหรือว่ายามที่เราหลับเผลอไพลไปมีผู้ร้ายจะมาตัดช่องย่องเบามาจีบคนข้ามิตรรู้ทราบเข้าก็ต้องหาทางแก้หาทางป้องกันหาทางรักษาช่วยเหลือไว้นะเป็นการช่วยเหลือไว้อย่างนี้เรียกว่ามิตรย่อมรักษาทรัพย์สมบัติของมิตรหรือของเพื่อนผู้ประมาทแล้วในคนประมาทก็คือคนที่เผลอไพล่อยนะ ลืมสติมัวเม า, าไม่รู้ตัวขาดสติทุกสิ่งทุกอย่างก็อาจจะทําให้ตัวของเรานั้นถึงกับตายก็ได้หรืออาจจะทําให้ทรัพย์สมบัติของเราถึงกับความหายนะก็ได้แต่เมื่อเราได้มิตรทีก็ย่อมช่วยรักษาย่อมช่วยแก้ป้องกันไว้ได้ประการที่สามเมื่อมีภัยก็เอาเป็นที่พึ่งพำนักได้นะ หมายความว่าเมื่อยามที่เราเกิดทุกโศกโรคภัยอะไรก็แล้วแต่ก็เอามิตรนั่นแหละจะเป็นที่พึ่งเราได้ช่วยเหลือเราได้อย่างนี้เป็นประเภทเรียกว่ามิตรแท้ไม่ใช่มิตรเทียนไ อ, มอ้มิตรเทียนนั่นแ่ะเมื่อเวลาเราอยู่ดีกินดีก็มายกย่องสรรเสริญแต่เมื่อเวลาเราตกรกระรมำลำบากมีเหตุเพศภัยต่างๆก็เอาตัวรอดเอาตัวหนีซ้ายังกลับติดชิ้นินทาอีกด้วยนะ อย่างนี้ถือว่าใช้ไม่ได้อย่างนี้ถือว่าใช้ไม่ได้ฉะนั้นหากว่าเราอเป็นมิตรที่ดีนั้นก็เมื่อยามที่เพื่อนมีภัยก็เอาเป็นที่พึ่งพํานักไดนะ้เอาเป็นที่พึ่งพํานักได้ฉะนั้นก็ในฐานะที่เราทุกคนมีมิตรก็ขอให้เราจงจงจงรักษาความเป็นมิตรของเราไว้ให้ดีนะอย่าให้อะไรมาทําลาย นะมิตรนั้นแน่นอนที่สุดแม้แต่ชีวิตก็สละแทนได้มิตรแท้เอาชีวิตสละเข้าเข้าแทนเพื่อนได้ช่วยเหลือเพื่อนได้นะยามเพื่อนตกทุกข์ได้ยากนะก็ไม่ละทิ้งนะไม่ละทิ้งนี่เป็นข้อที่สี่คือหมายถึงว่ายามเพื่อนตกรกรรมลาบากอะไรก็ไม่เหินห่างไม่ตีตัวห่างออกไป เรียกว่ายังคอยช่วยเหลือยังคอยติดตามอยู่ตลอดเวลาอาจจะช่วยเหลือด้วยทรัพย์เจนเงินทองอาจจะช่วยเหลือในการแก้คดีความต่างๆหรืออาจจะเป็นคนให้กําลังใจในคราวที่เพื่อนถึงความวิบัติหรืออาจจะเกิดในยามอาักขีไฟโจรภยัยหรือคราวถูกราชชภยัยอะไรก็แล้วแต่ละก็ไม่ละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างอเพื่อนเป็นยังไงก็จะขอตายแทนด้วยฮ เพื่อนตายก็ตายกันอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นเพื่อนร่วมจิตร่วมใจร่วมสุขร่วมทุกข์เป็นเพื่อนแท้อย่างนี้ใช้ได้ฉะนั้นเรานั้นแน่นอนที่สุดก็จะต้องทำตัวเองให้เป็นที่ไว้วางใจของมิตรอีกเหมือนกันรปยการที่ห้าสุดท้ายก็คือว่าต้องนับถือมิตรตลอดไปถึงญาติพี่น้องของเขาอีกด้วย การที่เรามีเพื่อนมีมิตรมีสหายนั้นเราจะนับถือเฉพาะเพื่อนมิตรสหายอย่างเดียวคนเดียวไม่ได้เราจะต้องนับถือไปถึงญาติพี่น้องวงวานของเขาด้วยอันนี้เป็นธรรมดาเรามีเพื่อนแน่นอนที่สุดเมื่อเราชวนเพื่อนมาเราก็แนะนําให้เพื่อนรู้จักนี่คุณพ่อคุณแม่นี่พี่น้องของเรานี่ญาติของเราเมื่อเราไปบัน่นเพื่อนเพื่อนก็ต้องแนะนําของเราแนะนําเราให้รู้จักพี่น้องพ่อแม่ของเขาดังนั้น เรารักเพื่อนฝูงเรารักมิตรเราก็ต้องรักถึงญาติพี่น้องวงตระกูลของเขาด้วยนะก็ช่วยเหลือเขาช่วยเหลือวงตระกูลเขาตามฐานะตามโอกาสอันสมควรเมื่อเราทําอย่างนี้ได้แน่นอนที่สุดก็จะได้ชื่อว่าเรานั้นต่างก็ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันความเป็นมิตรก็จ ะ, จะเจริญรุ่งเรืองความเป็นมิตรก็จะอยู่กันา น, นานแสนนาน แล้วก็จะทำให้ตระกูลทั้งสองนั้นมีความผูกพันสันติสุขกันอยู่ตลอดเวลานี่เป็นเรื่องของทิศเบื้องซ้ายหมายถึงมิตรนั่นเองทีนี้ก็มาถึงทิศเบื้องต่ำนะมาถึงทิศเบื้องต่ำนี่เป็นทิศที่ห้าทิศเบื้องต่าก็ได้แก่เบานะได้แก่เบาพรัยนะถือว่าเป็นทิศเบื้องต่าก็หมายถึงว่า ผู้ที่เป็นบ่าวเป็นไพร่ก็คือคนรับใช้นั่นหมายถึงว่าเป็นคนที่ต่ำกว่าเราเป็นคนรับใช้ของเราช่วยทุนแรงแกเราแบ่งเบาแรงกายแรงใจของเราท่านท่านจึงเรียกว่าเป็นบ่าวฉะนั้นคนเราทุกคนนั้นเมื่อมีคนใช้แน่นอนที่สุดไม่ใช่ว่ามีคนใช้แล้วเราก็จะใช้อยู่ตะบี้ตะบันหรือไปดูหมิ่นดูแคลนเขา ฉะนั้นเราจะต้องรู้จักใช้ต้องรู้จักยกย่องต้องรู้จักให้เกียรติก็ต้องถือว่าถึงแม้ว่าเขาจะเป็นคนรับใช้เราเขาก็เป็นคนรับสุขเกลียดทุกข์รับดีเอเกลียดชั่วเหมือนกันเขาก็เป็นคนมีกายวาจาใจเหมือนกับเรานในเมื่อเราพิจารณาอย่างนี้เราเป็นเจ้านายก็ต้องบำรุงด้วยหลักห้าประการเออ ด้วยหลัก5าประการหนึ่งด้วยจัดการงานให้ตามาสมควรแก่กำลังข้อที่สองก็ด้วยให้รางวัลข้อที่สด้วยรักษาพยาบาลในเวลาเจ็บปวดป่วยไข้ข้อที่สด้วยแจกของมีรถแปลกๆให้กินก็หมายความว่าหาสิ่งของแปลกๆมาให้รับประทานข้อที่ห้าด้วย เปิดโอกาสให้ได้ไปเที่ยวเตะตามสมัยอันสมควรอันนี้ก็หมายความว่าการที่เราเป็นเจ้านายนั้นเราจะต้องรู้จักกำลังของอคนรับใช้ของเราให้คำว่ากําลังนี่มีสองอย่างก็คือกําลังกาลังสติปัญญากับกาลังทางร่างกายคนรับใช้ของเราหรือคนที่อยู่ภายใต้ปกครองของเรา คนที่อยู่ภายใต้ปกครองของเราก็จัดอยู่ในประเภทนี้เหมือนกันคนที่อยู่ภายใต้ปกครองของเรานั้นบางคนแน่นอนที่สุดอาจจะไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนมากนะมีแต่กําลังมากเราก็ต้องดูว่า้การงานที่เราให้ไป น, นั้นมันเกินกําลังเขาไหมนะเกินกําลังกายเขาไหมเกินกําลังสติปัญญาเขาไหมถ้ามันเกินเราก็ต้องต้องดูลดราวาศอกให้มันเหมาะสมนะให้มันเหมาะสมแก่กําลังกายกําลัง ใจกำลังสติปัญญาของเขาเมื่อมันเหมาะสมก็จะทําให้เขานั้นทําการงานได้สะดวกทําการงานได้คล่องตัวไม่หนักใจแต่ถ้าหากว่าเรามอบหมายการงานที่มันเกินกําลังสติปัญญาของเขาที่มันเกินกําลังของเขาก็จะทําให้เขานั้นทุกข์ใจเมื่อเขาทุกข์ใจเขาก็เบื่อเกียจคร้านไม่อยากทําการงานดีไม่ดีก็อาจจะคิดทรยศเจ้านายเสียด้วยกว็ได้ถือว่า เ, าเจ้านายนั้นมีการกลั่นแกล้ง เป็นการใช้เสมือนว่าเขานี้ไม่ใช่เป็นคนที่รักสุขเกลียดทุกข์เห็นเขาเป็นกับตัวอะไรจะทําให้เขาคิดไปอย่างนั้นน้อยเนื้อต่าใจฉะนั้นเราในฐานะเป็นเจ้านายเป็นผู้บังคับบัญชาก็จะต้องรู้จักจัดการงานว่าคนนี้ควรรับหน้าที่อย่างนี้คนนี้ควรรับหน้าที่อย่างนั้นตามเหมาะสมกับความรู้กาลังสติปัญญาของเขา เมื่อเราได้จัดการงานให้เหมาะสมกับหน้าที่หรือตามสติกำลังปัญญาของเขาแล้วเขาก็จะมีกำลังใจในการที่จะทำงานทำให้เขาเกิดความขยันมีความมานะมีความบากบันมีความอดทนแล้วก็ทำให้รักเจ้านายดีอีกด้วยก็จะเป็นผ ล, น พ, ลพลอยให้กิจการงานหรือบริษัทห้างร้านของเราบ้านของเรามีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและทำให้เกิดความสบายใจเป็นที่ไวเนื้อเชื่อใจ บางคนก็เอาเป็นพ่อเป็นแม่เลยก็มีเอาเป็นลูกเป็นเต้าก็มีบางคนก็ยกย่องหนักถือว่าเอาเป็นภรรยาสามีไปเลยก็มีนะอันนี้ก็มีมีตัวอย่างให้เห็นทั้งในอดีตการและปัจจุบันก็มีอยู่เยอะแยะไปนะประการที่สองด้วยให้รางวัล น, นะด้วยให้รางวัลเรามีคนรับใช้ก็ดีเรามีคนที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาก็ดี ถ้าเขาทำงานดีเราก็ต้องมีรางวัลให้เคลื่อนปีใหม่เราก็ต้องให้รางวัลถึงวันเกิดเราก็ให้รางวัล อ, อย่างนี้เรียกว่าเป็นการให้กำลังใจไอ้ของรางวัล น, นั้นถึงแม้ว่าจะไม่มากไม่มีค่ามากแต่เขาก็ภูมิใจถือว่ายังยังยกย่องเขาบ้างยังเห็นเขานี่เป็นเป็นคนที่รับสุขเกลียดทุกบ้างนะอันนี้ถือว่าเรานั้นเป็นเป็นเจ้านายที่ดีเป็นผู้บังคับบัญชาที่ดีนะ ฉะนั้นเขาต้องการน้ำใจมากกว่าสิ่งอื่นใดฉะนั้นเราเป็นเจ้านายเป็นผู้บังคับบัญชาจะต้องรู้จับมอบรางวัลให้ตามโอกาสตามสมัยอันสมควรประการที่สามต้องรักษาพยาบาลในเวล า, าบ่าวหรือคนรับใช้หรือผู้บงคั บ, บัญชาเจ็บหรือผู้ที่อยู่ใต้บังคับบัญชาเจ็บปวดป่วยไขนะ้เราจะต้องอาพา ไปหาหถามหมอพาไปโรงพยาบาลต้องมันไตาถามสุขทุ ก, ท, กทุกสิ่งทุกอย่างอต้องมันไปเยี่ยมเยือนบ้างก็เท่ากับว่าเราไม่ทอดทิ้งดูแลเขาเอาใจใส่ในเขาก็ทําให้เขามีกําลังใจไอป่วยมากก็กลายเป็นป่วยน้อยป่วยน้อยก็ทําให้หายไวยขึ้นเพราะอะไรก็เพราะเจ้านายเป็นคนดีเพราะเจ้านายเอาใจใส่เขาปรนนิบัติเขาเขาก็จะต้องเอาใจใส่ต่อเจ้านาย คือคนประเภทนี้ก็ย่อมคิดว่าเขาทําดีกับเราเราก็ต้องทําดีตอบแทนแต่ถ้าเราไปคิดว่าเราเป็นเจ้านายมีหน้าที่ใช้ก็ต้องใช้ไปเขาเป็นบาลเป็นคนรับใช้นั่นก็ถือว่าเป็นคนต่ําไปเขาเรียกว่าแบ่งชั้นวัณนณนะมากดูเมนดูแคลนเขาใช้เขาเหมือนกับว่าเป็นวัวเป็นควายอันนี้เจะทําให้เขาน้อยเนื้อต่ําใจทําให้เขาไม่มีกําลังใจไม่มีความอดทนที่จะทํากิจการงาน เรียกว่ากินไม่ได้นอนไม่หลับมีแต่จะใช้ลูกเดียวอันนี้แหละจึงทําให้ผิดพลาดนะฉะนั้นทุกวันนี้จึงมีปัญหาว่าคนรับใช้นั้นมีการยกเขาบ้านเจ้านายเสียมากเวลาเจ้านายไม่อยู่ก็เอาเพื่อนฝูงมาขนทรัพย์สมบัติในบ้านบางบางครั้งก็อเอาเพชรพลอยหรือของมีค่าหลบหนีไปอันนี้มีเยอะหรือบางครั้งก็เอาลูกไป เรียกคาทายซะก็มากนะนี่แหละปัญหาทุกปัจบันนี้มันจึงมีอย่างนี้มากแต่ถ้าหากว่าเราได้บำรงบำเร อ, เอรู้จักให้เกียรติยกย่องผู้ทีอ่อยู่ใต้บังคับบัญชาเราผู้ที่เป็นบ่าวหรือคนรับใช้เราแน่นอนที่สุดเขาก็จะไม่คิดคดทรยศ์ต่อเร า, เ, าเมื่อไม่คิดคดทรยศ์แน่นอนที่สุดเขาก็จะมีแต่ความสุขกายสบายใจก็ทำให้เกิดความ เสุขความสงบด้วยกันทั้งสองฝ่ายและอีกประการหนึ่งคือประการที่สี่ก็ด้วยแจกของขวัญหรือหมายถึงว่ า, าด้วยการพาไปทานอาหารที่มีรสแปกๆนะหรือบางทีก็ซื้อเอาอยางโน้นมาให้กินบ้างอย่างนี้มาให้กินบ้างเรียกว่าไม่ใช่เจ้านายกินอย่างหนึ่งแล้วก็ลูกน้องก็กิกนอย่างหนึ่งอันนี้เป็นการแบ่งชั้นวรรณะบางคนก็ดูหมิ่นเหยียดยามเกินไปบางครั้ง เราจะเห็นว่าเจ้านายบางคนนี้ดีมากเอาคนใช้ เ, เข้ามารับประทานอาหารด้วยอันนี้รู้สึกว่าเป็นถ้าจะให้อัตมาพูดแล้วก็รู้สึกว่าเป็นคนที่มีจิตใจสูงมากแล้วคนใช้นคนรับใชเ้เมื่อได้รับความไว้วางใจยกย่องจากเจ้านายถึงขนาดนี้เขาจะไม่รักเราื่อหรือเขาจะต้องรักเรา ก็เท่ากับว่าเรายกฐานะของเขาเนี่ยมาให้เท่ากับเราไม่ดูเหมิ่นเขาจะต้องขยันทําการงานทุกสิ่งทุกอย่างไม่หวาดหวั่นต่อความเหนื่อยยากลำบากไม่หวาดหวั่นต่อความหนาวร้อนทุกสิ่งทุกอย่างนี่ก็เพราะว่าเรายกย่องให้เกียรติเขาแล้วเขาก็จะต้องยกย่องให้เกียรติเราทำงานเพื่อเจ้านายของเรานี่ะฉะนั้นเราจะเห็นมีไม่ใช่น้อยว่าเจ้านายบางคนนี้ให้คนรับใช้ อันนั้นมาฐานอาหารร่วมวงเดียวกันอันนี้ก็มีมากแต่ก็มีอีกนิดใช่น้อยเหมือนกันเรียกว่าเป็นบ่าวไพร่ต้องกินทีหลังอันนี้เป็นที่นิยมกันมาตั้งแต่ดึก ด, ดําบันพนะ์เป็นคนรับใช้จะต้องกินทีหลังบางทีไม่ได้กินดีหรอกนะกินไอ้ที่เจา้านายกินเหลือแล้วอิ่มบ้างไม่อิ่มบ้างอันนี้คิดแล้วก็น่าสงสารนะน่าสงสารทั้งๆ้ที่เขามีเลือดเนื้อจิตใจเหมือนกับเราอยากกินดีเหมือนกับเรานะแต่ว่าไม่ได้กินดี ฉน้นเราเป็นเจ้านายที่ดีก็จะต้องมีอาหารดีๆแล้วก็มีรถ แ, แปลกๆเอามาให้เขาได้กินกันบ้างพาไปเลี้ยงที่โน่นบ้างที่นี่บ้างหรือเอามาทานกินกันที่บ้านที่บริษัทห้างร้านอันนี้เขาก็จะดีใจจะสุขใจนะประการสุดท้ายก็ต้องเรียกว่าเปิดโอกาสให้เขาได้ไปเที่ยวเที่ยวงานบ้างตดตีสงกรารทีเข้าพรรษาออกพรรษาทีปีใหม่ที นะหรือวันเด็กวันผู้ใหญ่อะไรก็แล้วแต่อย่างเนี้ยเราจะต้องเปิดโอกาสให้เขาไปเที่ยวบ้างต้องหยุดงานบ้างนะให้เขาได้ไปสนุกสนานบ้างให้เขาได้ไปพบปะเพื่อนฝูงบ้างให้เขาได้กลับไปเยี่ยมพ่อเยี่ยมแม่บ้างให้เขากลับไปทําบุญสุนทานตามประเพณีทางบ้านช่องห้องหอเขาบ้างอันนี้เขาก็ะจะมีแต่ความสุขกายสบายใจนะมีแต่ความสุขกายสบายใจเมื่อเรา กระทาตัวกับบ่าวหรือคนที่อยู่ใต้บังคับบัญชาของเราอย่างนี้แน่นอนที่สุดเขาก็ย่อมจะมีความสุขมีแต่ความจเจริญทำให้เขามีความขยันบากฝันในการที่จะทำกิจการงานของเราให้รุลร่วงไปได้โดยดีเมื่อทำอย่างนี้ได้บ่าวนั้นก็จะต้องบำรุงหรือกระทาตอบแทนอเจ้านายด้วยหลักห้าประการก็คือหนึ่ง ด้วยลุกขึ้นทำงานก่อนเจ้านายสองเลิกงานทีหลังเจ้านายสาถือเอาแต่ของที่นายให้สทํทำการงานให้ดีขึ้นหําคุณนำคุณของเจ้านายไปสันเสริญยกย่องในที่ต่างๆอันนี้ก็หมายความว่าเมื่อเจ้านายดีนะลูกน้องพูดรวมๆก็คือลูกน้อง ไอ้ลูกน้องเนี่อาจจะพูดถึงตั้งแต่คนรับใช้หรือว่าปู่ใต่บังคับบัญช า, าก็ย่อมจะต้องขยันเรียกว่าตื่นเช้าก็ตื่นก่อนเจ้านายนะรีบจัดปัดกวาดหุงหาอาหาราทําความสะอาดซักเสื้อผ้าหรือว่าจัดที่การงานทุกสิ่งทุกอย่างเอาเปิดประตูเปิดหน้าต่างอะไรทุกสิ่งทุกอย่างะเรียกว่าจะต้องมีความ อขมีขมันนะเรียกว่ามีความคอยระวังว่าจะต้องลุกก่อนเจ้านายเพราะเจ้านายของเราดีเจ้านาจะลุกก่อนไม่ได้เป็นเรื่องน่าละอายประการที่สองเมื่อถึงคราวเลิกก็เลิกงานทีหลังเรียกว่าทําก็ทําก่อนเจ้านายเลิกก็เลิกทีหลังนะเพราะจะเลิกก่อนเจ้านายก็ไกลอยู่เจ้านายดีอย่างนี้เราจะเลิกก่อนไม่ได้เราจะต้องเลิกทีหลังนะเรียกว่าให้เจ้านายกลับซะก่อนเราก็คอยเก็บดูความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง อาจจะเก็บกวาดจัดโต๊ะตูะจัดโต๊ะที่ทํางานทุกสิ่งทุกอย่างนะหรือบางครั้งก็นั่นแหละคนรับใช้ที่ดีบางครั้งเขาก็ไม่ยอมทานพร้อมก็เรียกว่าทานทีหลังก็อาจจะเก็บเอาไว้บ้างนะเก็บเอาไว้ทานอาหารอย่างเดียวกันไว้ทานทีหลังเมื่อเจ้านายหรือผู้ที่เป็นผู้บังคับบัญชาจะทํางานก็ดีรับประทานอาหารก็ให้ให้ทําก่อนแล้วตัวเองนั้นก็ค่อยช่วยเก็บกวาด ล้างทำความสะอาดหรือจัดสถานที่ให้เรียบร้อยทีหลังแล้วจึงกลับแล้วจึงเลิกประการที่สามจะถือเอาแต่สิ่งของที่เจ้านายให้อันนี้หมายถึงว่าจะไม่ล่วงล้ำกํมเกินจะไม่ถือวิสาสะถือว่าเจ้านายให้อย่างไรก็รับอย่างนั้นอนุญาตอย่างไรก็ทาตามที่อนุญาตจะไม่ถือเอาอะไรที่ ที่ตัวเองแม้จะอยากได้ก็ไม่เอานะก็ไม่เอ า, อาคนที่เป็นบ่าวหรืออยู่ใต้บังคับบัญชาอย่างนี้แน่นอนที่สุดเจ้านายก็จะรักเจ้านายก็จะหวงแหนแล้วก็จะคอยช่วยเหลืออยู่ตลอดเวลาบางคนนี่จะมีความเจริญรุ่งเรืองมากบางคนถึงการได้รับการส่งเสียให้เล่าเรียนศึกษาขึ้นขั้นจบสรงสูงปริญญาตรีโทเอกก็มีนะก็มีฉะนั้นนี่แหละเป็นผลที่เรียกว่า เราต่างถ้อยทีท้องอาศัยกันรู้จักอารมุ่มอารมอยกันนะอย่างนี้ก็ทําให้เจริญรุ่งเรืองได้แต่ถ้าหากว่าลูกน้องที่มักจะกินเศษกินเลยของเจ้านายแม้แม่อุญาตก็มักจะทําแม้ไม่ให้ก็มักจะถือเอาหาเป็นของของตนเรียกว่าเก็บเล็กผสมน้อยนะหาเศษหาเลยอยู่เรื่อยให้ไปซื้อของอให้เงินไปร้อยบาทของนั้นแค่แปดสิบบาทก็ บอกว่าร้อยบาทเนี่ยยักไปเสียอ่ายี่สิบหรือของใช้ในบ้านก็ค่อยๆ ย, ย, ยักยอกเอาไปอ่าอย่างนี้ถือว่าเป็นลูกน้องหรือเป็นบ่าวที่ไม่ดีไม่ถูกต้องนะอย่างนี้ทําให้เจ้านายไม่ไว้วางใจทําให้เป็นที่อกลัวหรือว่าวาดระแวงฉะนั้นเราเป็นบ่าวนี่เราจะต้องมีความเคารพอย่าถือเอาที่เจ้านายไม่ได้อนุญาตที่ไม่ได้บอกให้ประการที่สี่ ทำการงานให้ดีขึ้นกว่าเดิมขยันขึ้นกว่าเดิมเพราะเจ้านายดีเราจะต้องขยันมีความมานะมีความอดทนนะอยากจะทำงานให้ดียิ่งยิ่งขึ้นเรื่อยเพราะเจ้านายดีมีกำลังใจเรียกว่าเป็นกำลังใจสำคัญถ้าเจ้านายเป็นกำลังใจให้กับลูกน้องลูกน้องก็มีกำลังใจที่จะทำงานให้ดีขึ้นเรื่อยๆปรับปรุงให้ดีขึ้นเรื่อยๆโดยไม่หวั่นหวั่นถึงความเหนื่อยยากลำบาก ประการสุดท้ายก็จะนําเกียรติคุณชื่อเสียงของเจ้านายไปสรรเสริญไปยกย่องให้ปรากฏแก่เพื่อนฝูงและในสถานที่ต่างๆว่าเจ้านายของตนเป็นคนดีเจ้านายของตนเป็นคนที่มีคุณธรรมให้ความยุติธรรมยกย่องตัวเองให้ของกินให้ของใช้เสมอกับลูกๆหรือว่าเสมอกับตัวของอตัวเอง อันนี้แหละก็จะทําให้ชื่อเสียงของเจ้านายกระจรกระจ a ยไปทั่วทุกสารทิศและเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปเอาละ่ะวันนี้ได้บรรยายในทิศหกในข้อที่ห้าเกี่ยวกับเรื่องอทิศเบื้องซ้ายหมายถึงว่ามิตรดเกี่ยวกับเรื่องมิตรแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องเบาวก็พอสมควรกับเวลา ในที่สุดนี้ขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายจงประสบแต่ความสุขความสวัสดีขอเจริญพร